พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยสองลำดับที่ยี่สบเจ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สิบสี่ธันวาคม2559หมีชื่อเรื่องว่าอยู่ในกฎกติกาเดียวกันวันนี้เป็นวันที่สิบสี่ธันวาคม พุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน1เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์เมื่อเช้าเป็นวันพระทศชายาิโยมก็ได้มาร่วมสมาทานศีล ต, ตอนเที่ยงวันนี้พระสงฆ์หลงอุโบสถแต่พระสงฆ์ทั้งหมดวันนี้42รูป ที่หลงอุโบสถที่ผ่านลงที่ผ่านจบลงไปสักครู่นี้แล้วก็ตอนเย็นก็จะมีการทำวัดเย็นไหวพระสวดมนต์ร่วมกันแล้วก็ฟังธรรมเทศนาที่พวกเราเคยทำกันมาทุกครั้งนั่นแหละแต่วันอุโบสถอย่างนี้ในหลักธรรมคำสอนหรือว่า ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้ปรรบกันเรื่องหลักพระธรรมวินัยก่อนที่จะแยกย้ายกันแต่โดยมากที่ผมไปเห็นสถานที่ต่า ง, างๆพอหลงโบสถก็แย่งกันออกไปปุบปับปุบปั บ, ปบตามไม่จริงวันพระใหม่ก็มีพระเก่าก็มีแต่ส่วนพระเก่าที่ได้รับการศึกษาได้เรียนรู้ เกี่ยวกับวิไนมาก่อนบางทีก็ได้เรียนนักธรรมตรีโทเอกก็มีอันนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะที่เรียนมาแต่บางองค์บางพระบางองค์บวชเข้ามาเพียง15วันหรือเจวันหรือเดือนหนึ่งก็มีพอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับหลักธรรมกฎเกณฑ์หลักพระธรรมวิไนการอยู่ด้วยกัน รู้สึกว่าจะขาดตกบกพร่องไปเหมือนกันนะพอนั้นวัน15คห้าค่ำอย่างอุโ บ, บสถอย่างวันนี้ละ่ะผมก็เลยถือโอกาสนะแต่ตามไม่จริงผมเหนื่อยไหมผมก็เหนื่อยแต่ว่าหลักพระธรรมวินัยที่เหนือกว่าจะต้องเคารพในหลักพระธรรมวินัยจะต้องบอกกล่าวให้พวกน้องๆลูกๆห ล, ล, ลาน เด้เรียนรู้เพื่อศึกษาในกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันเพราะว่าพระวินัยเนี่ยก็คือกฎระเบียบหรือวินยัยหรือกฎหมายหรือก ฎ, กฎกติกากรสุดแท้แต่แต่สรุปแล้วก็คือพระสงฆ์อยู่ด้วยกันามากมายาหลายตระกูลหลายเชื้อชาติหลายการศึกษาหลายวิชาอาชีพ หลายพ่อหลายแม่พูดง่ายๆทำไมอยู่ด้วยกันทีนี้นถ้าหากว่าไม่มีการพูดคุยกันหรือว่าทําความเข้าใจกันมันก็ทําความเห็นออกแตกต่างกันได้ง่ายๆแต่ถึงยังไงพระในครั้งพระพุทธเจา้าพระในคังพุทธการก็เป็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่เหมือนกันแต่พระพุทธองค์ท่านก่อตรัสท่านก็บอกว่าถึงพระสงฆ์ จะจากมาจากตระกูลต่างๆก็าตามหลากหลายวิชาอาชีพพอมาบวชทั้งกษัตริย์ทั้งแพทย์ทั้งพราหมณ์ทั้งชาวไร่ชาวนากเกษตรกรรมจะรอตลอดถึงขอทานก็เคยมีในพระไตรปิฎกแต่ถึงยังไงพระพระองค์ท่านก็ตรัสไว้ว่าถ้าเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนกับดอกไม้หลากสี ดอกไม้หลากสีมีสีแดงสีแสดสีสม้มสีขาวเนี่ยมีมากหลากหลายสีแต่ถ้าว่าเราเอาแต่สีเดียวเอามาร้อยๆเป็นพวงมาลยดอกไม้พวงมาลัยนั้นก็ไม่ค่อยจะมีคุณค่าแต่ถ้าว่าพวกมา้าดอกไม้หลากสีแต่เอามาในช่างมาลาผู้ฉลาด เอามาผสมประสานกันแล้วก็ร้อยเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยดอกนั้นก็มีคุณค่าท่นก็เปรียบเทียบลักษณะอย่างนั้นนี้ก็เหมือนกันพวกเราที่มาอยู่ด้วยกันต่างพ่อต่างแม่ต่างวิชาอาชีพต่างความรู้แต่มาอยู่ด้วยกันผสมประสานกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่ง มีอะไรก็ปรึกษากั น, ค น, น, นคนหนึ่งได้วิชาชีพอย่างหนึ่งคนหนึ่งได้วิชาชีพอย่างหนึ่งแต่จะได้มาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องแบบพึ่งผาอาศัยกันพระสงฆ์กลุ่มนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นปรับเป็นสุขด้วยอยู่ด้วยความผาสุขเพราะมีน้ำใจเพราะมีเมตตาต่อกันนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกัน ของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลถึงจะในครั้งนี้นะก็อเถอดนะก่อนลักษณะอย่างนั้นละแต่ถึงอย่างไงเรื่องพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้แล้วอย่างพวกเราได้ฟังจบลงสักครู่นี้อันนี้เรียกว่าสวด ท, ท, ทบทวนเรื่องของศินศินคือวินัยศินสองร้ี่สิบของพระเนี่ยคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกัน เพราะพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าศีลและวินนยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วธรรมและวิไนยนั่นแหลจะเป็นศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายเนี่ยอันนี้พร ะ, พระองคอไ์ได้ตรัส ไ, ได้พูดเอาไว้แล้วนะเพราะนั้นเมื่อพระองค์ปริเรศีผ่านไปแล้วก็เราก็ยึด หลักพรวัฒนวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้นี่แหละเป็นแนวทางเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้ยึดผู้ใดไทยทําผิดวินัยก็คือผิดวินัยเพราะว่าท่านบัดบอกไว้แล้ววินัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดวินัยไม่ใช่ของหลวงพ่อนะวินัยบัญญัติไว้แล้วคือกฎตายตัวของพระพุทธเจ้าที่ท่านถือกันมา แต่โบรัมโบราณครูบาอาจารย์ถือกันมาทุกระดับไม่ใช่มิใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดผู้ใดบวชเข้ามาก็ต้องรักษาเคารพ ก, กฎกติกานี้เพราะเคเรายอมรับเข้ามาอยู่ในกฎกติกานี้เมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องอยู่ในกฎกติกานี้เราจะไปฝืนกฎกติกานี้แปลว่าเราออกนอกลูกนอกทาง ไม่ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สากยาสากยะบุตรสักกายะบุตรคือบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติหลักพระธรรมวินัยอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติ ต, ตามนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือกฎระเบียบหรือวินยัยวินัยของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายสองร้อ 227้อเข้อนี่คือศินมาในพระปฏิโมกแต่สินนอกพระปฏิภปฏิโมกนั้ น, เ ป, นเป็นพันนะเป็นพันและเป็นหมื่นก็ไม่ทราบละมากมายนี่แหละอันนี้ให้พวกเราศึกษาแต่ถึงอย่างไงก็ตามพระที่เขามาบวชใหม่ถ้าครูบาอาจารย์รุ่นพี่เขาว่ากาวตักเตือนเราก็ต้องฟังถ้าเรายัางไม่มั่นใจเราก็ถามว่า ครบาได้ศึกษามาในพระวินัยเล่มไหนผมขออยากจะอยากจะรู้ในวินัยเล่มนี้อกนั้นก็ต้องบอกให้ฟังเออผมได้ศึกษามาจากวินัยเล่มนั้นเล่มนี้นะให้ไปศึกษาอยู่จุดนี้จุดนั้นนะแต่จะให้บอกหน้าบอกออบรรทัดนะผมคงทำไม่ได้แต่ว่านี่นะเรื่องอาจารย์วัดขอวัดของเกี่ยวกับอาจารย์ สัตถิสัิงวิหาริกวัดข้อวัดเกี่ยวกับลูกศิษย์อันเตอันเตวศิกวัดข้อวัดเกี่ยวกับลูกศิษย์ของอุปชาอุปชาเวัดหรือว่าขันทวัดวัดเกี่ยวกับลงงน้ำร้อนเวชจวัดวัดเกี่ยวกับห้องน้ำห้องส้วมเสนาชนะวัดวัดเกี่ยวกับเสนาชนะ ที่พักผ้าอาศัยอาคารตุกะวัดวัดเกี่ยวกับอาคารตุกะที่เขามาเกี่ยวข้องพวกเราปฏิบัติตนอย่างไรต่อเขาเขาเข้ามาแล้วควรจะแนะนําสั่งสอนหรือบอกกล่าวเขาอย่างไรกันล้วนแล้วแต่มีในพระวินัยของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะรู้ทั้งหมดขนาดหลวงพ่ อ, นอเนี่ยก็เถอะนะแต่ว่ามีลูกศิษย์ผู้ใด ผมโอ้หลวงพ่อตัวนี้หลวงพ่อมันจะผิดกฎมิไหนหรือเปล่านะหลวงพ่อตัวนี้นะหลวงพ่อก็ต้องฟังนะเพราะวินัยก็คือกฎหมายไม่มีใช่ว่าจะจําได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใชนะ่พวกเราอย่าไปท่านหน่งตนพยันการอยู่ด้วยกันต้องฟังกันสรุปแล้วก็ใื้อยู่ให้อยู่ในหลักพระธธรรมวินัยถ้าหากว่าพระองค์องค์ใดไม่มีไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในวินัยเรียกว่า พระอารัชีอลัชิตาเป็นผู้ไม่มีฮิลิไม่มีความละอายต่อบาปนะเพราะนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันต้องรักเคารพในศีลและวิไนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระวินยัยพระวินยัยท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นเพราะว่าวินัยของพระพุทธะอย่างว่าดปกปองค์ท่าน บอกไว้เลยนะอนุศาสตร์ตั้งแต่อนุศาสตร์กิจที่ไม่ควรทํากิจที่ควรทํากิจที่ควรทําเรียกว่าอนุศาสต์แปดอย่างนิจใจสีกิจที่ควรทําอักรณียกิจสี่กิจที่ไม่ควรทำเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วนะจากนั้นกับวิัยเป็นข้อข้ออันนี้มันผิดนะผิดวิไนนะสปาราชิกสีสังขารที่เศษสิบสามอนิยตสองนี นิตยกิจปาจิตี30ปาจิติ92ปฏิเทธนิยะสเซกิยวัต75อธิกรณะสมมะเจรวมแลป้ว2ยนับทั้งอธิกรณะสมถะเข้าเป็น227อันนี้แหละคือสินและวินยัยจากนั้นให้เราศึกษาทีนี่ให้ศึกษาเพราะเราเข้ามาเนี่ยผมไม่รู้อย่างเดียวไม่ได้น ะ, ะไม่รู้ก็ต้องศึกษานะ ถ้าไม่ถ้าไม่รู้เนะี่ยไม่เป็นไรให้อภัยแต่ทําท่าไม่รู้อยู่เรื่อยไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาต้องดูแต่พระวินัยของพระพุทธเจ้าบางทีเจตนาก็มีนะเจตนาผิดก็มีไม่เจตนาผิดก็มีนะใครข่าวว่าไม่เจตนาทาท่าไม่ไม่เจตนาธรรมะทำท่าไม่รู้แต่ว่ามันผิดเนะพราะอะไร เพราะจะทำให้ผู้นั้นองค์นั้นเล่นเ ล, เล้อ่นเลอะไม่สนใจทำท่าไม่รู้อยู่เรื่อยไม่ได้ถ้าหมูแนะนำบอกกล่าวแล้วต้องฟังเมื่อรู้แล้วอย่าทำถ้าคืนทำไปปรับเพจเป็นโทษแต่ถ้าว่าเราไม่รู้ถ้าเป็นทิกข้าบทเล็กน้อยนะเราก็ให้อภัยพอหย่วนกันได้แต่เป็นอาบหนักเป็นอาบหนักไม่ได้ ถึงจะว่าไม่รู้ขนาดไหนก็เถอะท่านบวชเข้ามาเพื่ออะไรทำไมไม่ศึกษาถ้าบวชเข้ามาแล้วต้องศึกษาต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติเพราะเราเข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์นี้อย่างที่ว่าพระนงขอยพวกเราทุกๆองนะพระเนนของเรานะอันนี้คือศีลและวิ น, นัยแต่ความมุ่งมั่นมุ่งหมายของพวกเราคือจะทำยังไงจึงยกระดับจิต ใจของเราให้พ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารไม่เมาเวียนไหวตายเกิดอันนี้ก็คือศีลและวิถัในที่ว่าเนี่ยเป็นเพียงปกป้องทางเดินของพวกเราไม่ให้อย่างพวกเราจะเดินทางไปเนี่ยนะเราก็ต้องทำถนนหนทางหรือว่าทำสิ่งที่กีดขวางหรือว่าทำหนทางของเราเนี่ยให้ราบรื่นไม่ให้มีอุปสรรค ในการเดินทางคือทำตั้งสองข้างไว้น่ะกันไว้ไม่ให้อะไรเข้ามาผ่านเหมือนกับถน น, ถ น, นมดตะ เ, เวยลักษณะอย่างนั้นหละเขาทำให้เป็นสองฝากฝั่งสองข้างให้รถเขาของเราวิ่งเพื่อไม่ให้พวกสัตว์อะไรเข้ามาผ่านลักษณะอย่างนั้นแหะศีลคือปกป้องกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล กายคือการกระทาวาจาคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคำพูดการพูดก็ต้องระวังไม่ใช่ว่าหลวงป่าก็พูดไปไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่รู้จักสัมมาคาระวะพูดอย่างนั้นมันผิดแปว่าวาจาผิดศีนวาจ า, าการกระทำาทางกายาทำออกไปโดยที่ ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำอีกเหมือนกันผิดศินขนาดศินห้าก็ยังผิดแล้วจะผิดสินสองยเจจะทําได้ยังไงปาณาอธินาไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเราเราเบียดเบียดยังไงค่าจัดยังไงขโมยทรัพย์เบียดเบียนเบียดบังทรัพย์เขายัางไง เ, เรื่องกาเมเรื่องพระวินัยของพระสงฆ์ละเอียดนะอันนี้เราต้องศึกษานะ เพียงสินห้าสินห้าก่อนที่จะมีสิน227มากสิจ็มันมาศินจากศินห้านั่นแหละเป็นหลักฐานเป็นพื้นฐานก่อนถ้าว่าสินห้าก็ยังผิดแล้วสิน227ีจะไม่ผิดแล้วมันต้องผิดเนเพราะนั้นอันนี้คือคือสินรักษากายรักษากายคือการกระทำวาจาคือคาพูดแต่ว่าทำทีนี้ำคือรักษาใจนะ พะเนนลูกหลานนะสินรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่ใช่นะอันนี้คือสินคือรักษากายวาจากายคือการกระทาวาจาคือคำพูดใจนี่คือความนึกคิดเพราะพินัยไม่ได้รักษาใจรักษาแต่กายกับวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินแต่ทรรมนี่คือรักษาใจใจนีคือแนวความนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดอันนั้นคือทำรรแต่ขณะที่กายสินเนี่อถ้าหาวัานเรานึกคิดเนี่ยยังไม่ผิดศีล น, นะยังไม่ผิดกฎหมายนะแต่ผิดธรรมผิดธรรมในผิดแต่กฎหมายพระวินัยเนี่ยยังไม่ผิดเราคิดอยากจะฆ่ามันจะเตะมันจะฆ่ามันจะข้ามวยอะไรลักษณะอย่างนั้นเราคิดในใจแต่ยังไม่ผิดนะยังไม่ผิดวินยัย เราอยากจะดา่าอยากจะว่ามันก็ยังไม่ผิดวินัยมันอยู่ในใจอยู่แต่เราอยากจะว่าด่าออกไปเนะี่ยผิดแล้วนะผิดวินัยแล้วแล้วอวดอุตริมนุษธรรมเนะี่ยข้าพเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันตนะ์หมดจดจา ก, กีกเลรแล้วพ้นทุกข์แล้วจะไม่มาเวียนตายว่าตายเกิดแล้วข้าพเจ้านะี่นะประกาศเพียงแค่นั้นแต่เจตนาอะไรนะเจตนาเพื่อจะให้เขานับถือเลื่อมใสตนเอง นะขาดจากการเป็นพระแล้วนะทีนี้นเพียงวาจาอย่างเดียวก็ขาดจากการเป็นพระได้เพราะอะไรเพราะอวดอุตริมนุษย ธ, ธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตน น, นี่แหละโทษโทษประหานโทษประหารของพร ะ, นะในสี่ข้อนะจากนั้นก็เรื่องการกระทําอย่างอื่นมีโทษประหารเรื่องวาจาโทษหนึ่ง แต่โทษประหารเรื่องการกระทําทางกายนี่สามข้อนคือโทษประหารของพระในโทษประหารของพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาเนี่ยเรียกว่าปาลชิกชีเนี่ยนี่แหละอันนี้ให้พวกเราศึกษาทีนี่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือศีลเนี่ยเหมือนกับทาง way, มอเตอร์เวย์มีเครื่องมี อะไรมีรั้วทั้งสองข้างมีรั้วทั้งสองข้างเพื่อมาให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเข้ามากีดขวางในการเดินของเราเนี่นี่แหละอันนี้คือสินรักษากายว่าจาให้เรียบร้อยจากนั้นเรื่องทมแนวความคิดจะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะสงบจิตใจของเราที่มันปุงฟุง้ง ด, ดูก ด, ดิกตูก ด, ด็กตุกติกคิดเรื่อง น, นั้นคิดเรื่อง น, นี้คิดเรื่องกรรมมรรคผลคิดความโลภความโกรธความหลง ติดปาฐะร้อยเปรตอยากจะเที่ยวอยากจะเตรอยากจะมีอะไรถ้ามีอะไรเข้ามาสู่ในจิตใจขุนข้องหมองมวลตะลวีตะวันบางทีสิ่งไหนที่มาเข้ามาสู่จิตใจที่สิ่งที่พอจะกระดีอกดีใจทั้งวีทั้งวันสิ่งเหล่านี้มีทั้งขึ้นมีทั้งเศร้าหมองมีทั้งผ่องใสผ่องใสก็คือสิ่งที่ปราถนาทุกสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ไม่พึงปราถนาก็คือสิ่งที่ทุกข์ใจ นี่แใจของเรามันขึ้นมันลงมันลงมันขึ <t <t <t <t ้นขึ้นมันลงเลี้ยวกัดําแลี้ยวกับขาวเดี้ยวกับขาวเลี้ยวกับดาถ้าเราถ้าเรามีสติจับนะถ้ามีเรามีมีสมาธิเข้าไปจับนะเราจะรู้ได้แต่ถ้าว่าเราไม่มีสมาธิมันก็เออละเหยไปตามเรื่องของมันทั้งวีทั้งวันก็ไม่รู้มันคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ละวีแต่ละวันอันนั้นแปลว่าใจปล่อยปะละเลยใจไม่มีสมาธิใจไม่มีสติไง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 อัน น, นล้ววิธีการจับจิตหรือจับตัวผู้รู้จับตัวนึกคิดเอาตัวนั้นมาจับแต่พอจับมันก็หลุดไม่รู้หลุดไม่รู้กี่ครั้งตกกี่หนแต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะจับมันไม่เหลือวิสัยตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาประพฤติปฏิบัติมาเพราะนั้นพวกเราลูกหลานพระเนนพระเนรลูกหลานทุกอง์นะ เข้ามาบวชทั้งทีนะเรามาบวชเพื่ออะไรให้ถามตนเองเราไมา่ได้บวชมาเพื่อหลอกหลอกเล่นเล่นไม่มีทางไปแล้วก่เข้ามาบวชพ่อบวชแล้วก่อนทำสิ่งที่ไม่ควรทาเป็นพระที่ไม่มีฮิริอตตปะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะบวชเข้ามาแล้วให้สํำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศีลศรัทธาญาติผมก็มาเห็นก่อนหน้าเขาลบหนาหนับถือหน้าเลื่อมใส การกระทำํำไม่ใช่ว่าตัวเองทําอะไรออกไปในเมื่อเป็นฆราวาสเราเห็นแล้วก็ขวางหูขวางตาโอ้ยพระอย่างนี้ก็เป็นพระนาะทำตนอย่างนี้นะพ่อเองตัวเองเขามาจาท่าอวดจาท่าเก่งจาท่าเก่งทําท่านั่นนะศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของอวดของเก่งของกล้านะศาสนาพุทธนะเนี่ยสัมพวรมรว่วงสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อย เป็นผู้มีศีลมีสัมมาคารวะคำว่าเรียบร้อยของนี้ไม่ใช่ประจบจีบปากจีบคอไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเรียบร้อยตามธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาติสวยงามตามธรรมชาติแต่สํารวมระวังสิ่งไหนคำพูดทึ่ไหนเราก็ต้องระเวงระวังเป็นสัมมาวาจามัยเป็นเรื่องมิจฉาวาจา การกระทําของเราก็เหมือนกันสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิในการกระทําอันนี้พวกเราต้องหลักใช้หลักธรรมคําสอนของพุทธะพระ พ, พ, พ, พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมีวางไว้แล้วให้พวกเราศึกษาน ะ, ะการศึกษาแต่เพียงหลวงพ่อองค์เดียวไม่เพียงพอนะพระลูกพลานนะต้องฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งองค์หลวงตาเนี่ยนะที่ท่านพูดท่านกล่าวยังไงเราต้องฟัง ทำพรมเทศนาของท่านแต่หลวงพ่อแท้ๆหลวงพ่ อ, อยังฟังนะฟังธรรมเทศนาของหลวงองค์หลวงตาหลวงปู่หาด้วยหลวงตาด้วยครูบาอาจารย์องค์อื่นด้วย <Yeah. S 1> หลักพระธรรมวินัยด้วยออ่านศึกษาในพระไตรปิฎกด้วยในพระวินัยก็ไม่เคยลดละศึกษาอยู่ดูอยู่เพราะว่าเหมือนกับกฎหมายนะั่นเราจะไปจําทีเดียวมันไม่ได้บางทีเลือนลางนะ บางเดี๋ยโอ้ใช่ตัวนี้เราเคยพูดมาแล้วนี่ ม, นมันดูดูแล้วมันผิดหน้านี่แต่มันดูครนเออมันไม่ใช่ละอย่างนี้เองมันถูกนะนะมีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่เาเราจะจำได้ทั้งหมดไม่ใชนะ่เพราะนั้นเราต้องไยในการเรียนรู้ไยในการศึกษานะนั่นแะนะผู้ที่จะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้ต้องสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นก็สํารวงใจเนละ สรวมใจเลยให้ใจเป็นผู้มีสมาธิมีศีลสมาธิมีปัญญานั่นแหละเป็นพระที่เป็นสากระยะบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นให้พวกเราสำมรวมระวังนะ่านถูกพาหล า, านทุกองน ะ, ะตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมก